ท่านฟั่งที่ครบค่ะรายการสันสนีสนทนาในช่วงเวลาที่นำท่านทั้งหลายให้จิตเริ่มีสมาธิจากการนำปฏิบัติของพระมารชาควาโรวัณปาปปงลำลูกาคลองสิทธิ์ด้วยพุทวจรณะของพระศ า, ศาสดาผ่านไปตอนนี้เราจะมาพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งจากวัดป่าดอนหายโศกนะคะนั่นคือพระเพรบุ์อภิปุโนจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทวจรณะให้เราคะ่ะกราบนมัส ก, การท่านคะเจริญพร <Yeah. S 2> วันนี้จะขอพูดถึงเรื่อง 2,600 ปีผู้เช <Okay. S 2> ่าโดยการยกธรรมะหมวดที่กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ <Yeah. S 2> นะคือธรรมะของผู้เช่าเนี่ยทำแล้วคนอื่นเราก็ได้ด้วยในเรื่องนี้ผู้เช่าเคยยกตัวอย่างของนักแสดงกายกรรมนะที่ว่าเขาเอาไม้ไผ่เนี่ยมาลํายกลำไม้ไผ่ตั้งขึ้นใช่ไหมเอาไว้บนอกหรือบนหัว <Okay. S 2> แล้วก็มีอีกคนหนึ่งขึ้นไปยืนอยู่ทรงตัวอยู่ปลายไม้ไผ่เป็นการแสดงกายกรรมในสมัยนั้น คนที่ยืนอยู่เป็นปลายไม้ไผ่เนี่ย <_ d ream> เขาก็เอาภาชนะที่ใส่น้ํามันเต็มเลยแล้วก็ทูนหัวไว้เหมือนกันนั่นคือทรงตัวกันเยอะวิธีการที่จะทําเล่นกยายกรรมตรงนี้ให้สําเร็จได้เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยต้องรักษาตัวของตัวเองคือตัวข้างบนคนข้างบนก็ต้องรักษาตัวน้ําหนักตัวเองให้ทรงตัวไว้คนข้างล่างก็ต้องรักษาตัวเองให้ทรงตัวไว้นั่นคือไม่ใช่ว่าคุณเอาจิตไปไว้ที่อีกคนหนึ่งนั่นคือรักษาคนข้างบนไม่ได้คนข้างบนก็คิดว่าจะรักษาคนข้างล่างไม่ได้ แต่ว่าคนลกคนต้องรักษาตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเบียบเหมือนกับการปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าคนที่มีสติเ네นี่ยมีสติรักษาตัวเองนะชื่อว่ารักษาผู้อืน่นละ да, คนที่คิดว่าต้องการรักษาผู้อื่นเนี่ยก็มีสติซะก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเหมือนกันแต่ตรงนี้พระเจ้าเคยอธิบายขายายความไว้ว่าคนที่รักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นเนี่ยหมายความว่าไงคือหมายว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยปฏิบัติธรรมะเศรษธรรมะเจริญธรรมะทําให้มากซึ่งธรรมะ คุณทำอย่างนี้ชื่อว่าคุณรักษาผู้อื่นด้วยนะ<ฆ>เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ธรรมะมีธรรมะเนี่ยนะจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะชื่อว่าคนอื่นนั้นก็ได้รับการรักษาไปแล้วแต่นะั้นถ้าคุณจะรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนด้วยเนี่ยก็คือว่ารักษาผู้อื่นด้วยความที่อดทนนะไม่เบียดเบียนมีเมตตาเจตรักให้เอ็นดูนะถ้าคุณทําอย่างนี้นะชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีธรรมะด้วยกนะ็คือ<ฆ>ถ้าทำอย่างนี้กับคนอื่นคุณก็ได้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่มีธรรมะอื นี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้เป็นการถวายพุทธบูชาด้วยข้อธรรมที่ทุกคนควรรู้ที่ตรัสรู้เอาไว้นะคะใช่รักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนให้เบียดเบียนมีเมตตาจิตระค่ายอ็นดูท่านเพรบูรนะคะดิฉันเองเนี่ยก็เห็นเขาพูดกันนักหนาเลยเดี๋ยวจะหาวิธีที่จะเฉลิมฉลองพุทธชยันตีซึ่งวิ่งใกล้วันวิสาขบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะคะ ครบรอบสองพันหกร้อยปีก็มีคนพูดถึงสิ่งเหล่านี้กันเยอะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆดิฉันเองเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะนําเสนอผู้ทวิจะนะบทต่างๆอย่างเช่นบทเนี้ยิฉันเห็นว่ามันเป็นบทรักษาสังคมไทยเลยนะคะรู mm ้ hmm. สึกอย่างนั้นจริงๆนี่ก็อยากจะพูดไปใครได้ยินก็ช่วยบอกต่อไปยังผู้มีโอกาสในการที่จะตัดสินใจไปใช้เป็นโครงการเฉลิมฉลองระดับชาติเถอะนะคะอืม mm hmm. ว่าการโดนรง์แบบนี้ไม่เห็นเชยเลยรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนไม่เบียดเบียนเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูนใช่ท่านคะอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าพุทธวจนะที่มีแค่สีว่วรรคเนี่ยอืรักษาผู้อื่นเนี่ยถ้าจะพูดถึงสังคมไทยที่เขา ก, กาลังพูดว่าร่างพระราชบัญญัติอ่าเผื่อความปลองดองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือช่วยได้ไหมคะ อ๋อได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งะคนที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องมีสติคนที่มีสติเนี่ยจะไม่พูดจาที่ทุ่มเถียงกันนะเพราะว่าถ้าเธอมีสติรักษาจิตเนี่ยจะไม่กล่าววาจาที่ทำให้ทุ่มเถียงกันเพราะว่าถ้าทุ่มเถียงใ่งก็จะพูดมากพูดมากจิตก็จะฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ไม่สมํารมไม่สมํารมก็จิตก็ห่างจากสมาธิพอห่างจากสมาธิแล้วก็ถูกมาเล่นงานละมันก็จะเริ่มด่ากันว่ากันอัดกันซ้ายขวาหน้าหลังดิ่งตรงนังไปหมด เราก็จะต้องมีสติเพราะฉะนั้นคนที่ทํานี้ได้คุณต้องมีสติก็จะช่วยได้หมดเลยะะทีนี้พอเราอดทนแล้วเนี่ยเวลาเขาด่าเราใช่ไหมเราก็ไม่โกรธหรื อ, อาจจะโกรดไว้แต่ก็อดทนไว้ก็ไม่ด่ากลับเรื่องมันก็จบแค่นี้เองนี่น ะ, น ะ, ะ, ะหรือว่าเราจะโกงเราจะไปแบบไปเสียมให้เขาด่ากันมันเป็นอกุศนฉันไม่ทําดีกว่าฉันฉันไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนแค่นี้มันก็จบมันก็ไม่มีการเสียมกันด่ากัน ก็สบายใจทั้งสองฝ่ายอืม hmm. hmm. เดี๋ยวดิฉันจะลองชวนชวนทางวิธีครอบครัวข่าวดูนะคะเพื่อเห็นด้วยหาเงินสก้อนหนึ่งมาทําสติกเกอร์ติดท้ายรถกันอจริงๆบทตรงนี้นะเ ป, น <c oughs> เป็นบทที่ว่าเอาไปแต่งเพลงก็ได้ <c oughs> แต่มามีความคิดว่าแอนมนจะทําถ้ามีอาส า, าสมัครนะถ้าทาจิงเกิลให้เดี๋ยวใช้ข้อความตรงเนี้ยทําเป็นจิงเกิลก็น่าจะดีเหมือนกัน <c oughs> มีไม่เอ่ยถ้ามีรับเลยนะคะอาส า, าสมัครเดี๋ยวดิฉันจะช่วยเขียน ก็ได้ค่ะแต่งเพลงเนี่ยช่วยท่านมาเล่นดนตรีให้กันล้วกันสั้นๆทําจริงก็คือกราบเรียนท่านเลยนะคะว่าดี่ฉันเห็นคุณค่าของพุทธจนะบทเหล่าเนี้ยมากเพราะเชื่อว่าคนเราเนี่ยบางครั้งการอยู่ร่วมกันน่ยค่ะถ้าเรามีวิธีที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสังคมที่มันน่าอยู่มากขึ้นน่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันเข้าใจง่าย เข้าถึงง่ายน่าจะทำให้พวกเราในพัฒนาได้ง่ายใช้ใช้สิ่งที่พระพุทธองค์ออขอภายครับว่าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยจ ะ, จะได้พัฒนาตนเองได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น อ, อีกรอบหนึ่งนะคะรักษาตนด้วยการพึ่งทำด้วยการเสรธฐทำรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนไม่ไมเลี่ยงเบน ม, มีตัดแล้วก็รักให้ e n คำว่ารักใคร่เอนดูเนี่ยค่ะบางคนบอกว่ามันแค่ไหนเรารักใคร่เอนดูรักใคร่เอนดูนี่ก็คือเหมือนกับมารดาถนอมบุตรคนเดียวที่เกิดในตน น, นี่คือการรักใคร่เอนดูก็อยู่ในสถานะที่ที่เราทําได้นะนี่คือแบบมีไม่ตัจิตนะคือความรักใคร่เอนดูเนี่ยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเลิศ ม, มากนะคะถ้าเราจะรักคนอื่นได้ที่ไม่มีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ก, กันเลยแบบแม่รักลูกเนี่ยเพราะว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ใช่ จริงๆแล้วพร้ชอบก็เคยบอกไว้นะว่าในสังสารวัที่ยืดยาวนานอย่างเงี้ยมันไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นญาติกันมาก่อนเ ว, วลาที่ฉันจะไปเชิญชวนคนใกล้ตัวให้สนใจในเรื่องคำสอนของพระศาสดาเสถทีแล้วได้ให้เข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยบางทีต้องร่ายยาวชักแม่น้ำทั้งห้าก็ <laughs> จะก็จะมีการพูดถึงการเกิดของมนุษย์ที่บอกว่ามันเกิดมาแล้วทั้งนั้นแหะแล้วก็ดูซิว่า ท่านบอกว่าเกิดมาแล้วทุกอย่างถูกไหมคะใช่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะว่ามนุษย์นี่เกิดมาเป็นทุกอย่างแล้วคือแต่อย่างนี้ว่าในสังสารวัตที่ยืดยาวนาะนเห็นอย่างนี้เนี่ยน ะ, ะไม่มีใครที่ไม่ได้เป็นญาติกันอืเป็นญาติกันหมดนี่แหละคือเป็นแต่ว่าเป็นญาติที่ยังไม่ได้พบกันเท่านั้นเองคือที่ฉันเคยได้ยินเอ๊ะไม่ทราบจํามาถูกหรือผิดละชักสับสนที่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะที่ เป็นพระมหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นคนไม่เก่งเป็นคนขี้โรคเป็นคนน่ารังเกียจเราเป็นมาหมดแล้วไงคะใช่ใช่ยังนั้นก็ด่วนกันอีกในยันหนึ่งเป็นมาหมดแล้วอืเพระศาสดาตรัสนะคะท่านุบังเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเชื่อดิฉันว่ามันเป็นบังคับให้เชื่อเลยถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าอืมส่วนรายละเอียดไปหาเอาเองก็แล้วกัน วันนี้เนี่ยคิดว่าในสิ่งที่ท่านเ บ, บูุลได้นำออกมาพูดให้เราฟังในตอนเริ่มต้นเนี่ยสําคัญมากก็คือธรรมะเนี่ยปฏิบัติแล้วคนอื่นได้ด้วยใช่แล้วในในเรื่องนี้ก็มีประเด็นหนึ่งคุณยมติว๋วที่ว่าเวลาเราเราอาจจะคิดว่าเออคุณขนขวายหายปฏิบัติทำเองคุณเห็นแก่ตัวนะไปหลีกนี้ปฏิบัติทำแต่ไม่ใช่นะคนอื่นก็ได้ด้วยเนี่ยต้องต้องจะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะ คือดิฉันขออนุญาตเล่าประสบการณ์ส่วนตัวกับคนที่ดิฉันได้เห็นว่าจากการที่เขาปฏิบัติแล้วคนอื่นได้หน่อยอื ม, อมเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาก็หลังจากที่มาปฏิบัติเองมากๆได้เห็นผลดีเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่และเป็นภรรยานะคะอืมเขาก็จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เนื่องจากที่บ้านต้องนั่งรถไปด้วยกันไปส่งลูกก็นั่งฟังธรรมะไปด้วยกัน ก็ได้คุยกันคุณแม่ไปปฏิบัติกลับมามาปฏิบัติที่บ้านลูกเห็นพ่อบ้านเห็นน ะ, ะแล้วก็เห็นชีวิตเขาไม่ตกต่ำทั้งๆที่ก็ไม่ได้หรูหราฟุ่มเฟือยเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับให้เกิดความรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยทำให้ชีวิตมันมีมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะ เชิญชวนให้เห็นคุณค่าต่างคนต่างให้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันพอมีโอกาสทั้งสามีและลูกก็ได้ไปปฏิบัติด้วยอะไรเงี้ย น, นะคะดิฉันเองได้คลุกคลีกับท่านทั้งหลายเหล่าเนี้ยได้คุยแล้วแหมมีความรู้สึกเป็นครอบครัวตัวอย่างแล้วก็อยากจะให้ได้เห็นและอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เชื่อว่าดิฉันว่าทำให้ครอบครัวมันมีความสุขมากขึ้นอย่างบอกไม่ถูกและคนรอบข้างที่ได้ไปใกล้ชิดกับครอบครัวในทํำนอง น, นี้เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกว่ามีเพื่อนที่ ดีมีมิตรที่เป็นคนมีคุณธรรมเข้าใกล้แล้วรู้สึกเย็นกายเย็นใจไม่เดือดร้อนมีความสุขค่ะเป็นต้นนี่แหละนี่แหละคือคือผลของธรรมะทำให้เป็นชัยชนะที่รับคาบได้หมดทุกที่แหละนะหมายว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยบางที่ทำงานนะคะ เ, เห็น พ, <อ>พวกเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็มาพูดหรือว่า ตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจตอนแรกตอนหลังพอมีความทุกข์ได้มีโอกาสไปอยู่ในการปฏิบัติไปพบเพื่อนที่อยู่ในทางปฏิบัติด้วยกันกลับมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงในใจของตัวเองในความคิดของตัวเองทุกน้อยลงแล้วก็เรื่องการงานก็ดีขึ้นก็จัดสรรงบประมาณในการที่จะให้ลูกน้องเพื่อนร่วมงานได้มีโอกาส ไปทำอย่างนี้บ้างแล้วสุดท้ายมันก็มารวมกันที่เขาได้พบว่ามันเป็นการพัฒนาคนที่ดีที่สุดยิ่งกว่าการเอาหลักสูตรที่พัฒนาในเรื่องวิทยาการเข้ามาใช้ได้สซ้ำใช่ใช่ไม่ว่าคุณจะพูดถึงเรื่องอะไรความสามัคคีหรือไมันมันก็จะรวมอยู่ในนี้หมดเลยมีหลายหลายคนที่มีคนหนึ่งเป็นลูกน้องในบริษัทนะโอ้ยหัวหน้าดาหัวหน้าว่าหัวหน้าเป็นทาไมเป็นคนอย่างนี้ แล้วพอตัวเองมาปฏิบัติธรรมรู้จักวิธีแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้เขาเขาเลิกด่าเลิกว่าแล้ ว, ลวจริงรึเปล่าคะเออจริงเป็นอย่างนัจริงก็ามาเล่าให้อดัมาฟังเรื่องด่าเลิกคือไม่ได้เลิกหวาดเลิกว่าคนอื่นนะแต่เลิกด่าเลิกว่าตัวเขาอ่ะตัวผ<อ>ู้ที่แผ่เมตตาให้ก็อันนี้นี่เป็นเป็นสิ่งที่คนที่กําลังมีความทุกข์จัดการกับคนอื่นไม่ได้น่าสนใจมากเลยฟังแบบนี้ออื <c oughs> แผ่เมตตาด้วย วิธีพิเศษกว่าปกติยังไงหรือเปล่าคะเ อ, อ่อก็ด้วยวิธีที่พุทธเจ้าบอกว่าสมมติแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์นะคือบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์หมายความว่าเห็นบุคคล น, นี้แล้วให้เรามีอารมณ์แห่งความรักความเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงนะเออพูดง่ายๆก็คือว่าแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงผ่านคนค น, นี้ยังไงกันล่ะคะสมมุติถ้าจะพูดถึงอ่ะคุณสงชยัยอืคุณยมีปัญหากับดิฉันเหลือเกินดิฉันจะแผ่เมตตาให้คุณนะไม่ใช่ไม่ ฉันจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงผ่านคุณนะว่าอ่างนั้ น, นแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์คือให้สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยผ่านบุคคล น, นี้สมมติเรายิงกระสุนก็ไปนัดหนึ่งไปหาคนคนนี้ใช่ไหมแล้วกระสุนนี้ก็แตกกระจายพั่วไปทั่วหมดเลยอย่างนี้นะคือเราส่งก้อนแห่งความรักความเมตตาไปให้คนนี้แล้วก็มันกระจายไปทั่วสรรพสัตว์ทั่วสรรพสัตว์ทั้งปวงคือเหมือนกับว่าคนแรก ที่เป็นคนที่เป็นคู่กรณีของเราเนี่ยจะเป็นคนที่เราแผ่เมตตาให้เป็นคนแรกก่อนเป้าหมายหละใช่ไหคะเป็นเป้าหมายแต่ว่าเราจะให้สรรพสัตว์อื่นด้วยจากคนนี้กระจายออกไปจากคนนี้ค่ะข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้นายสมชายสมชายมากต้องบอกได้ไหมคะที่ทำให้ดิฉันเดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องพูดแล้วเพื่อเพื่อที่จะให้กระแสแห่งความบุญ ที่ฉันได้ทํานะไปเป็นควา ม, วามทำมมให้สร<า>สรพสัตว์ทั้งหลายเดือดหายความเดือดร้อนอะไรเงี้ยป่ะค ะ, ะพุทธเจ้าใช้คำนี้ว่าอแผ่ให้ด้วยด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาใช่ไหมที่ไม่มีเวรไม่มีความปียาบาปเป็นจิตที่ไพ่บุญใหญ่หลวงนะมีความเกื้อกูลมีอย่างไม่มีประมาณเนี่ยแผ่ให้นะสรรพสัตว์ทั้งปวงโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์มคือบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์แห่งความเมตตาของเรา นนในการที่จะแพ่ความรักความเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงค่ะก็จะจะได้ผลอย่างนี้ไหมคะที่ท่้นเคยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาฟังรายการนี้ด้วยนะคะท่านก็ส่งเป็นอ่าขึ้นมาบน l ล n e แอปพลิเคชันเนี่ยคะ่ะพูดถึงว่าการแผ่เมตตาเนี่ยได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์หนึ่งลันอีกจริงหรือป่คะอ๋อพระเจ้าเคยบอกว่าเมตตาจิตเนี่ยแม้กระทำศักว่าลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยนะ ก็ยังดีกว่าการรักษาศีลอการรักษาศีลทําแม้แต่ชั่วนิดเดียวเนี่ยก็ยังดีกว่าการให้ทานมีสร้างบุตเป็นต้นืหลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราจเจริญเมตตามแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้เพียรเผากิเลสละเป็นผู้ที่ทําตามคําส่อนของพระศาสดาเป็นผู้ที่กินข้าวชาวเมืองไม่เสียเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ให้ความสําคัญอย่างเช่นสมมติจะแผ่เมตตาเนี่ยเมื่อเออมันติดใจคนอยู่คนละทะาน มันแทนไม่ตายให้สัตว์ทั้งโลกได้เลยแต่ไอ้นี่ใช่ไหมให้สมมุติอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณทําไม่ถูกคุณทําไม่ถูกออืคุณยังมีความตระหนิ่ในบุญของตัวเองเหรอเนี่ยนั่นจะไปให้การให้เราจะสมบูรณ์ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ให้คนอื่นก็เลยเสียหมดด้วยหรือเปล่าคะคือไม่หมดอันนั้นจะต้องได้นิสงอยู่แต่ที่เกิดขึ้นคือความตระหนิ่ในจิตของเรานะคจริงเรามีความตระหนิดเรอืมมันเสียที่เราดังนั้น ถ้าท่านจะแผ่เมตตาแล้วท่านยังมีใครค้างใจอยู่ในใจเนี่ยคิดใหม่ก็แล้วกันนะคะอันนั้นยิ่งให้มากก็ยิ่งเขาให้มากเป็นคูณสองเลยทําไมมันจบแบบนี้ก็ไม่ทราบเวลาหมดแล้วกันนะะนะคะก็นมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านฟังค่ะท่านฟังที่กรบค่ะแต่ที่ฉันเข้าใจว่าจะจบอย่างนี้ก uh ็ได้ประโยชน์มากเลยเกินนะคะแต่การที่ท่านไปบบนมาให้ความรู้เราในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทโธชนะ พระภิกษุในรายการนี้เป็นผู้ที่ศึกษาพูทัตจนะและเป็นพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆแ ะ, ะท่านทํางานหนักในหน้าที่ของกสสมพึงทำไม่จะเป็นท่านเพนบูร์หรือว่าท่านมาร์กก็แล้วแต่รวมไปถึงพระจารย์คกริที่มอบหนังสือให้กับเราพุ้ทัตจนะสัปดาห์ลา3เล่มเออสัปดาห์สิบห้าเล่มด้วยนะคะวันละสเล่มศูนย์ส0งสค่ะวันนี้เราก็ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะผุทัวสวัสดีค่ะ